พวกเราที่ศึกษาพุทธศาสนามาบ้างนะก็คงจะทราบอยู่นะว่าหลังพระเจ้าปรินิพพานเนี่ยก็มีการทําปฐมมาสังคยนาหรือการสังคยนาครั้งแรกนะในพุทธศาสนาผู้ที่เป็นกําลังผลักดันนะที่สําคัญแล้วก็เป็นประธานการสังคยนาครั้งนั้นเนี่ยก็คือพระมหากัรสปะ พระมากระสปะนี่เป็นพระสาวกท่านสำคัญเยวะๆนะในพุทธศาสนาแล้วก็มีเรียว่าเอกลักษณ์อย่างนึงคือท่านชอบทุดดงนะมีเรื่องเล่า ว, ว่าเนี่ยตอนที่พระมากระสปะยังทำความเพียร น, นะเพื่อการพ้นทุกเนี่ยวันหนึ่งท่านก็เดินเข้าเมืองนะเพื่อมาบิณฑบาตแล้วก็คงจะทราบดีนะว่าในเมืองนั้นเนี่ยมี ชายคนหนึ่งเป็นโรคเรื้อนก็เลยเดินไปที่บ้านของชายคนนั้นซึ่งที่จริงมันก็ไม่ใช่บ้านนะมันก็เหมือนกับเป็นเพิงอะนะชายคนนั้นเนี่ยกำลังกินอาหารอยู่พอเห็นพระมหากษัสริย์มายืนอยู่หน้าบ้านก็เกิดศรัทธานะตัวเองเนี่ยก็ไม่มีอะไร น, ะนอกจากข้าวนะที่กาลังกินอยู่ ก็เลยหยุดกินแล้วนะแล้วก็นําข้าวนั่นเนี่ยนะหย่อนใส่บาทพระมหากษัตริพระมหากษัตริยก็เปิดบาตนะพอชายคนนั้นหย่อนข้าวลงไปเนี่ยพราะว่านิ้วเนี่ยนะข้อนิ้วเนี่ยมันหลุดลงไหนะหลุดไปในบาทเลยเพราะว่าโรคเรือนเนี่ยน ะ, ะข้อนิ้วเนี่ยมัน มันเปราะอยู่แล้วนะมีแผลพร้อมที่จะหลุดได้ทุกเมื่อข้าวเนี่ยนะขอนิวเนี่ยหลุดลงไปในบาดพร้อมกับข้าวนะแต่พระมหากษัตริยไม่มีท่าทีตกใจหรือแสดงความรังเกียจเลยก็กลับหยุดที่ชายคาท่านแหละอยู่ที่เพิงแล้วก็อาศัยเพิงของชายเพิงชายคาของชายลูกเล่นนั่นแหละนะ เป็นที่นั่งนะชั้นอาหารอาหารก็ไม่มีอะไรนะั่นก็ข้าวนะที่ชายโรคเรือ น, นั้นเนี่ยใส่พามกษับสบายนี่ไม่มีความรังเกียจข้าวของชายคนนั้นเลยทั้งนั้นที่เป็นข้าวที่หย่อนมาจากมือที่เป็นโรคเรือนแถมมีข้อนิ้วตกลงมาด้วยนะ อันนี้ก็เป็นเพราะว่าพระมกสปะเนี่ยท่านรู้สึกซาบซึ้งนะในความเมตตาของชายคนนั้นแล้วก็ท่านเองก็ไม่มีความรังเกียจหรือดูหมิ่นของที่โยมถวายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นจีวร เสนาสนะจะเป็นคนรวยคนจนท่านก็ให้ค่าเสมอกันนะแม้จะเป็นของคนจนก็ไม่ได้รังเกียจในการนี้ก็ ค, คล้ายๆกับที่พระพุทธองค์นะได้คงได้เคยแสดงให้โยมคนหนึ่งเนี่ยได้เห็นมีคราวนึงนะนางทาสีคนหนึ่งเนี่ย ทำงานนะให้กับเศรษฐีเนี่ยทั้งวันทั้งคืนเลยก็คือตำข้าวนะคงจะมีงานเลี้ยงอะไรสักอย่างน้นหนังก็ตำข้าวตั้งแต่เช้าจอดเย็นจอดค่ำก็ยังไม่เสร็จก็ตำยนทั้งสว่างเลยนะพอตำเสร็จเนี่ยก็มีรำเยอะนะก็เอารำเนี่ยมาผสมกับข้าวแล้วก็ปั้น ก็ได้แค่ปั้นสองปั้นนะแล้วก็นำไปย่างเป็นข้าวจีปั้นนะย่างเนี่ยมันก็ทำให้มันแข็งแห้งพอที่จะพกติดตัวตั้งใจว่านเนี่ยปั้นข้าวจีนเนี่ยนะจะเอาไปกินที่บ้านระหว่างที่เดินกลับบ้านก็เอิญนะเจอพื่อเจ้ากับพระอันนน์กำลังเสด็จไปบินทบาท แล้วก็มีเศรษฐีคนหนึ่งเนี่ยนิ ม, มนต์เอาไว้พระองค์กับพระนนท์ก็กำลังเดินไปที่บ้านเศรษฐีคนนั้นก็บัเงเอิญเจอนางทาสีคนนี้ชื่อนางปุณณทาสีนางปุณณทาสีเนี่ยเห็นพระเจ้าก็อยากจะใส่บาตแต่ว่าตัวเองไม่มีอะไรเลยนะนอกจากเอาจิบ ป, ปั้นเนี่ ย, ยก้อนสองก้อนนะที่ ติดตัวมาก็เลย น, ะนิมนตนะ์แล้วก็ถวายข้าวจีปั้นเนี่ยพระพุทธองค์ก็เปิดบาทนะแล้วก็รับข้าวจีของนางปุณณธาสีเสร็จแล้วพงษ์ก็เดินต่อนะเพื่อไปอยังบ้านของเศรษฐีตามที่นิมนต์เอาไว้นางปุณณธาสีเนี่ยเห็นพระเจ้าเนี่ยเดินตรงไปที่บ้านเศรษฐีก็ คิดในใจว่าอาหารของบ้านเศรษฐีเนี่ยนะเป็นอาหารประณีตนะเป็นอาหารที่น่ากินนะดงกว่าข้าวจีนะที่เราถวายช่อรอยพระองค์เนี่ยคงจะโยนทิ้งข้าวจีของเรากลางทางนะเพื่อที่จะได้นะไปฉันอาหารของบ้านเศรษฐีพระเจ้าเนี่ยทรงทราบนะ ทรงมียานอย่างรู้ความคิดของนางปุณณาสีก็เลยหยุดตรงนั้นเลยนะแล้วก็บอกให้ผ่านหนอนเนี่ยปูราตอาสนะแล้วพระองค์ก็ประทับนั่งตรงริมทางนั่นแหละต่อหน้านางปุณณาสีเลยนะแล้วก็ฉันเข้าจีบปั้นของนางว่้ น, นางนี่ก็ปราบปลื้มมากเลยแต่เท่านั้นไม่พอนะพระองค์ก็เรียก นางคุณธาสีมาแล้วก็ตรัสนะเป็นโอวาทว่าเนี่ยสมบัติมหาศาลของคนตรนีเนี่ยนะแม้จะมีมากมายเพียงใดนะเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่ประเสริฐเท่ากับทานแม้เพียงเล็กน้อยนะของผู้ที่มีน้ำใจมีเมตตามีศรัทธาที่ถวายเพราะว่าสมบัติของผู้ตรนีเนี่ยนะนอกจาก ไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วตายไปก็เอาไปไม่ได้ตกเป็นของคนอื่นในขนาดที่ทานแม้เพียงเล็กน้อยเนี่ยของผู้มีศรัทธาผู้มีเมตตาเนี่ยเป็นประโยชน์เกื้อกูลกับผู้อื่นแล้วก็เป็นบันไดไปสู่สวรรค์ไปสู่สุคติด้วยนะเราบุญธรรมสิฟังก็เกิดความปราบปลืม้มเกิดปิตินะแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันเลย แต่บางสำนวนก็บอกว่านางเนี่ยนะก็มังเอิญนะตายในวันนั้นในเช้าวันนั้นเพราะถูกงู ก, กัดพอตายก็ก็ไปสู่สุคตินะมะีไปสู่สวรรค์นนะที่เพียบพร้อมไปด้วยนะอ า, อาหารทิพนะแล้วก็ทรัพย์ทิันเป็นอนิสงจากทานที่ถวายในเช้านั้นรูพเจ้า ก, ก็ทรงเป็นแบบอย่างนะของผู้ที่อ่ ไม่ได้เลือกที่รักมังที่ชังนะจะเป็นคนรวยคนจนนะพระองค์ก็ให้คุณค่าเสมอกันไม่ได้มีความรังเกียจอาหารของคนยากคนจนเลยแม้ว่าจะมีเศรษฐีมาศรัทธามาถวายอาหารให้กับท่านพระองค์ก็ไม่ได้ให้ค่ามากไปกว่าอาหารของคนยากคนจนอันนี้ก็เป็น เรียกว่าเป็นคุณธรรมนะที่พระองค์ได้ทรงแสดงเป็นแบบอย่างและพระมหากัสสปาก็ได้แสดงให้เป็นแบบอย่างเช่นเดียวกันในฝ่ายพระเนี่ยนะนักบวชเนี่ยนะก็ให้ไม่มีความรังเกียจดูหมิน่นอาหารของคนยากคนจนในทางเดียวกันนะผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยเมื่อจะถวายทานเนี่ยก็ไม่มีความรังเกียจ หรือแบ่งแยกนะว่าผู้ที่จะมารับทานหรือผู้ที่จะที่ผู้ที่ตัองจะถวายทานเนี่ยจะเป็นพระสูงสักอักรฐานหรือว่าจะเป็นพระที่มีคุณวิเศษอย่างไรแม่จะเป็นพระธรรมดาสามัญ น, นะหรือแม้แต่เป็นเนรนะก็ให้ความสําคัญไม่น้อยไปกว่ากันสมัยที่นำมาบวชใหม่ๆนะอยู่ที่วัดทองทับคุณเนี่ย ที่นั่นเนี่ยเราต้องไปออกไปบิณฑบาตเองไม่มีสายนะแล้วก็พระหนุ่มเน้นน้อยเนี่ยนะก็ต้องอเดินไปตามซอกซอยต่างๆนะบางวันก็ได้บ้างบางวันก็ไม่ได้เลยก็มีและแถวนั้นเนี่ยนะคือคลองศารเนี่ยนะก็มีวัดเยอะนะวัดสุวรรณวัดสเวดวัดทองตบคุณวัดทองธรรมชาตินี่ แต่เราว่านี่พระเนนี่เป็นร้อยนะเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยเป็นสำนักเรียนมีพระเนนมาเรียนเยอะพระเนนจำเริ่มมากเนี่ยก็บางทีไม่มีอะไรฉันนะไม่เหมือนพระผู้ใหญ่นะพระป ร, ะริยนพระราชาคณะเนี่ยมีโยมนะเขานิมนต์บางทีผูกบิ่นโตไว้เลยเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าขาดแคลนนะแต่ว่าพระหนุ่มเนนน้อยเนี่ยบางทีไม่มีอะไรฉันนะก็ต้องไปหาเอานะ และจุดที่พวกเรามักจะไปกันนะก็คือแถวย่านที่เป็นสวนนะหลังซอยเจริญหลังถนนเจริญนครเจริญรัดเนี่ยสมัยก่อนอยังเป็นสวนอยู่เลยหลังตึกแถวเนี่ยจะเป็นสวนนะว่าแถวนั้นมีพระเนรเยะอะเพราะอะไรเพราะว่ามีโยมสองสคนนะอายุมากทั้งนั้นแหละคุณลุงบ้างคุณยายบ้างใส่บาต ท, ทุกวันนะแล้วก็ ของไม่มีอะไรมามีข้าวกับผลไม้หรือขนมเล็กๆน้อยๆบางทีก็ไข่แต่ว่าทำเยอะนะข้าวเนี่ยนะใส่ถวายพระเนเนี่ยคนละคนละคนทับพีคนละทับทับพีแล้วก็เตรียมมาเป็นร้อยเลยนะสามารถจะสายได้เนี่ยวันละนับร้อยไม่มีอะไรมากนะมีแค่ข้าวสวยนะกับไข่ต้มหนึ่งฟอง แต่ว่าพระเนรก็ไปกันนะและโยมทั้งสองสคนนี้นะก็ถวายทุกวันนะลองนึกดูนะข้าวนี่นะถวายพระเป็นร้อยพระเนรเป็นร้อย น, น, 100, นี่มันไข่ต้มเป็นร้อยนี่มันต้องเตรียมนะแต่ว่าท่านเนี่ยทั้งสองสามคนเนี่ยก็ทําทุกวันนะอัตมาก็อาศัยโยมกลุ่มเนี่ยนะมีอาหารนะใส่บาตรไม่งั้นเนี่ยก็ ไม่รู้จะเอาอาหารบิณฑบาตจากไหนยังดีหน่อยนะที่ที่คณะเนี่ยเขาชันรวมนะถึงแม้เรามีได้บิณฑบาตน้อยนะแต่ว่าก็ยังมีชันแต่ว่าบางคณะบางวัดนี่ต้องช่วยตัวเองนะพระเนรเนี่ยมานึกดูนะก็โยมทั้งสามคนนี้ก็มีน้ำใจนะเพราะว่าพระที่มารับบาตรหรือว่าเนรเนี่ยก็เป็นผ้าเล็กๆนะไม่มี ภันสาวก็น้อยนะไม่ใช่เป็นพระผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นพระราชาคณะแต่โยไม่รังเกียจเลยนะพร้อมที่จะอุปถัมภ์นะแม้จะเป็นอาหารเล็กๆน้อยๆแต่ก็มีความหมายมากก็ตลอดเวลานะที่บวชอยู่ที่วัดทองนบคุณเนี่ยถ้าบินธบาตก็ต้องไปตรงนี้แหละนะเนรก็เหมือนกันนะไปนึงก็ไปเข้าแถวกันแล้วยโยเี่แกก็ต้องรีบทาเวลานะใส่บาใส่ใส่ใส่ใส่ใส่ใสใสใสใส ไม่มีการไหว้นะเพราะมันงั้นไม่ทันนะดูเหมือนกับว่าจะไม่ค่อยเรียบร้อยอากาศเกริยานะเพราะว่าทําเร็วมากเลแต่ว่าน้ําใจนี่งามมากนะก็อันนั้นก็คือเหตุการณ์เมื่อ40ปีที่แล้วนะจะหาโยมแบบนี้นี่จะว่าไปก็ยากนะเพราะเดี๋ยวนี้โยมก็มักจะนิยมถวายกับพระที่มีชื่อเสียงเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระราชาคณะนะพระหนุ่มเน้นน้อยไม่ค่อยสนใจเนะี่ย อันนี้เป็นการเลือกที่ล่ำพรที่ช่างก็ทําให้พระหนุ่มเน้นน้อยจำนวนมากนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกันนะแต่ว่าการที่มีบ้านเมืองเรามีโยมแบบนี้เนี่ยนะมันทําก็ทําให้พระหนุ่มเน้นน้อยจำนวนมากเนี่ยนะสามารถจะมีอาหารเรียกประทังชีวิตนะแล้วก็สามารถจะมีกําลังในการศึกษาปฏิบัติจนกระทั่งกลายเป็นพระผู้ใหญ่เป็นครูบาอาจารย์ได้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นบุคคลที่อ่าปิดทองหลังพระก็ได้นะ